ร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชนีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมารในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเบื้องปลายวันที่24ตุลาคมศนี้ พระราชพิธีบรมราชาพิเศกพุทธศักราช2562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย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 สร้างสารหมวกมัดย้อมใบสวยเพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลมหาวิเช่อรารงกรณ์ธัญบรุรีคลองสิบอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในวันที่15ตุลาคม2562ผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนโครงการสามารถสอบถามได้ที่094 991 8 9 9สาและ096 149 4623ส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 592-1991 วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM แปดเมกะเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตต่อจานี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการมุมมองข่าวดำเนินรายการโดยดรนิสากรไพบุญสิน ควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ด็ตอร์ุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุมมองข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี FM89.5 เมิกลเฮิร์ค่ะคุณผู้ฟังค้าก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า เรื่องของการที่จะถูกจับนะคะจะมีข้อถกเถียงกันว่าเอ๊ะเราจะต้องอเราก็จะต้องยื่นใบขับขี่นะคะให้กับตำรวจแล้วตำรวจมีสิทธิ์ที่จะยึดบัตรของเราหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็แน่นอนแล้วนะคะว่าราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศออกมาแล้วนะคะในการบังคับใช้นะคะเรื่องของการกำชับการปฏิบัติตามพรบรจราจรทางบกให้ยกเลิกในเรื่องของการยึดใบขับขี่นะคะแต่ว่าสามารถใช้ใบสั่ง อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสำเนาภาพถ่ายใบขับขี่แทนตัวจริงได้ค่ะช่วงมองรอบด้านคุณผู้ฟังครับผู้ช่วยพอบอตรนะคะพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติ ป, ประพัดนะคะก็ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่12 ปีพุทธศักราช2562ที่มีบผลบังคับใช้นะคะในวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะคะว่าตำรวจรจราจรนี้นะคะไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่ใบสั่งส่งถึงบ้านต้องลงทะเบียนถึงจะมีผลบังคับสามารถแสดงหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ใบสั่งได้เช่นภาพถ่ายจากโทรศัพท์สำเนาเอกสารและไม่ต้องแสดงตัวจริงมีผลบังคับใช้วันที่20กันยายน พุทธศักราช 2,562 นี้นะคะทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าอันดับแรกนะคะประชาชนสามารถใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกแทนใบขับขี่จริงตามมาตรา31ทับ1ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องมีใบขับขี่อยู่กับตัวในขณะเดินรถและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ส่วนกรณีผู้ขับขี่แสดงใบขับขี่ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบขับขี่ให้ถือว่ามีใบขับขี่อยู่กับตัวค่ะนั่นก็หมายความว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องแสดงใบขับขี่ตัวจริงนะคะสามารถแสดงได้ทางภาพถ่ายจากโทรศัพท์สำเนาเอกสารนะคะหรือจากหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ค่ะดังนั้นนะคะการแสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะขับรถ ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยตัวเองวิธีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติทางนี้เจ้าพนักงานจราจรจะไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้เพียงแต่ออกใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับเท่านั้นขณะที่การใช้สำเนาภาพแทนใบขับขี่การตัดแต้มความประพฤติผู้ฝ่าฝืนจราจร และการระงับต่อภาษีรถยนต์ประจำรายปีหากค้างชำระค่าใบสั่งยังอยู่ระหว่างทดสอบระบบและต้องรอการประกาศใช้กฎหมายลูกนับถัดไปอีก3เดือนหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งต้องไม่เกินวันที่19ทธันวาคมนี้นะคะแล้วเรื่องนี้ก็จะต้องมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับกรมสรรพากรนี่นะคะก็จะให้บริษัทประกันชีวิตส่งข้อมูลผู้เอาประกันในกรณีที่กรมทรรม์อายุ10ปีขึ้นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางนี้เพื่อที่จะพิจารณาลดหย่อนภาษีเหมือนกับกรณีประกันสุขภาพนะคะที่ได้ทาไปก่อนหน้านี้นะคะคาดว่าจะให้บริษัทประกันชีวิตส่งข้อมูลได้ภายในปี2564 คือเรื่องนี้นี่นะคะทางกรมสรรพากรนะคะก็เป็นห่วงนะคะว่าผู้ที่ได้มีาการทําประกันนะคะในเรื่องของกรมธรรมที่มีอายุเกิน10ปีขึ้นไปนี้นะคะอาจจะนะคะอาจจะยกเลิกการคันนะคะหรือว่ามีอายุไม่ถึง10ปีตามอายุกรมธรรมนี้นะคะทางกรมสรรพากรก็จะให้บริษัทประกันเนี่ยระบุด้วยนะคะว่าสถานะของกรมธรรมเป็นแบบใด เพื่อจะไปเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากผู้เอาประกันที่ทำผิดเงื่อนไขแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางสมาคมก็จ ะ, ะทบทวนในเรื่องนี้บอกว่าให้ดูที่เจตนาค่ะเพราะว่าในระหว่างทางถ้าผู้เอาประกันเกิดเจ็บป่วยนะคะไม่สามารถจ่ายทางด้านการเงินไหวนี่นะคะและไม่สามารถส่งค่าเบี้ยรประกันต่อไปได้ก็ไม่น่าตีความว่าเป็นความผิด ของผู้เอาประกันยกเว้นแต่ว่าจะมีพฤติกรรมที่มีเจตนายกเลิกกรมทรรกลกังครันค่ะและปัจจุบันนี้นะคะก็มีผู้เอาประกันที่ถือกรมทรรอายุเกิน10ปีขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอยู่ไม่ถึงล้านคนนะคะคาดว่าจะไม่กระทบนะคะสำหรับอธิบดีกรมสรรพากร บ, บอกว่านโยบายให้ประกันชีวิตส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นขณะนี้กาลังหารืออยู่นะคะถ้าหากว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะให้เริ่มทันที แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะยืนยันว่าการให้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะและใครส่งเบีย้ยไม่ครบตามกฎหมายก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้เท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใดนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องอพิจารณากันนะคะว่า ถ้าผู้ประกันที่ซื้อประกันอายุ10ปีขึ้นไปจ่ายไม่ครบหรือไม่ต่อเนื่องก็ถือว่าผิดกติกาการลดหย่อนภาษีอยู่แล้วส่วนจะเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหรือไม่นั้นก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งหากอยู่ในอำนาจของกลุ่มสัากรตามกฎหมายก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี ทางนี้นะคะเรื่องของการส่งข้อมูลทางสมาคมประกันชีวิตไทยก็ต้องการส่งให้กรมสรรพากรเพื่อดำเนินการยกเลิกกรมธรร์ที่ผิดเงื่อนไขให้ถูกต้องเพราะมีบางกรณีที่ทาผิดโดยเจตนาค่ะก็เป็นเรื่องของการจ่ายภาษีนะคะซึ่งทางกรมสรรพากรก็ได้มีเพิ่มเติมออกมาค่ะคุณผู้ฟังคะมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวชิมช็อปช้ของรัฐบาล น, นี่นะคะ ประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะผ่านเว็บไซต์ w w w c h i m s h o p c h a ดอทชไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะโดยรับลงทะเบียนวันละ1ล้านคนแล้วก็จะทำต่อเนื่องนะคะไปจนกว่าจะครบ10ล้านคนค่ะคุณฟังค่ะ ซึ่งนะคะหากว่าใครมีความประสงค์นะคะจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์นี่นะคะก็ควรที่จะต้องรีบนะคะอย่าไปรอจนถึงวันที่15พฤศจิกายนเพราะว่าถ้าครบ10บล้านคนเมื่อไหร่แล้วนี้นะคะโครงการนี้ก็จะเสร็จสิ้นลงค่ะแล้วนะคะเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วในแอปพลิเคชันเป๋าตังนี้นะคะ คุณผู้ฟังก็จะต้องรอ SMS 3วันนะคะว่ามีสิทธิ์ที่จะใช้ได้หรือไม่แล้วก็การลงทะเบียนมีการตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์หรือไม่นะคะเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วนะคะแอปพลิเคชันนั้นก็จะส่ง g ีเวลเลมาให้เรา1000บาทเราก็สามารถใช้เงินนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันนั้นนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินสดสดมาถือนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะต้องเรียนคุณผู้ฟังให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะ กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทุกทแห่งทั่วประเทศนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำกับประชาชนที่มีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะแล้วก็การรับสิทธิ์แอปเปาตังค์นะคะก็สามารถที่จะสอบถามไปที่คอร์เซนเตอร์กรมบัญชีกลาง022706400นะคะแล้วก็ต่อ7นะคะ ได้ทุกวันเวลาราชการค่ะในช่วงนี้นะคะฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันในเรื่องของมุมมองข่าวช่วงที่สองค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University เธอคือยาแผนโบราณบำบัดรักษาดวงใจเจ็บปวดมานานเทาน่าไรโดนใครหักอกฉันมาเธอช่วยรักษาการหัวใจหมดหมองเธออยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่มีปัญหา ฉันทุกเวลากลายความทุกข์ทรมาร์ช่วยเยียวยาหัวใจกว่าจะนึกถึงความดีกว่าใจจะมีเยอะใหญ่แต่ก่อนเคยมองข้ามไปว่าใครที่รักฉันจริงจะช่วยรักษาการหัวใจหม่นมอง ครั้งที่มีปัญหาเธออยู่ประฉันทุกเวลากลายกว่าทุกข์ทรมาร์ดังย่าแผนโบรา สาการหัวใจหมดมองเธออยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่มีปัญหาเธออยู่ประชันทุกเวลากลายความทุกข์ทราร์มาช่วยเยียวยาหัวใจเธออยู่ประชันทุกเวลากลายความทุกข์ทรามาร์ดัยาพาษ มองรอบด้าน ฟังคะ่ะเข้าสู่ช่วงมุมมองข่าวช่วงที่สองนะคะการประท้วงในฮ่องกงก็ยังคงยืดเยื้ออยู่ต่อไปนะคะแล้วก็เหตุการณ์โจมตีโรงกลั่นน้ำมันสองแห่งของบริษัทซาอุดีอาระมโกในประเทศซาอุดีอา ร, ระเบียเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้สร้างความตนกไปทั่วโลกนะคะจึงมีความกังวลว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นแต่คุณฟังทราบไหมคะว่ามันมีเหตุการณ์ที่น่าตหนกแล้วก็น่าวิตกว่า นี้นะคะก็คือการที่มีการโจมตีนี้นะคะทำได้โดยใช้โดรนติดอาวุธนะคะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาทางการว่าการใช้อากาศยานต่อสู้ไร้คนขับนั่นเองนะคะโดรนตริดอาวุธเป็นเครื่องมือทางการทหารนะคะที่สําคัญของการสู้รบในตะวันออกกลางคะ่ะแล้วก็มีความสา ม, มารมากนะคะในการโจมตีเป้าหมายที่แม่นยํา และยังใช้จํานวนคนในการควบคุมน้อยกว่าการโจมตีในรูปแบบอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าเราไปกันที่การประทูวังในฮ่องกงที่ยังคงยืดเยือ้อแล้วก็ยังคาดการนะคะว่ายังคงมีความรุนแรงต่อเนื่องไปนี้นะคะมีการคาดการค่ะว่าการส่งออกโดยรวมของฮ่องกงในปีนี้จะลดลงราวสอเปอร์เซน์ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่ยืดเยื้อนับวันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ฮ่องกงนี้นะคะก็จะเป็นช่องทางหลักนะคะของสินค้าจีนที่จะส่งออกไปยังตลาดสหรัฐและสหภาพยุโรปแต่อย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลของสำนักงานสุลกากรแห่งชาติจีนก็ได้เปิดเผยว่าการส่งออกของจีนไปยังสิงคโปร์จะเพิ่มขึ้น 3.5 เปอเซ์ในปีนี้ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า เป็นการได้เปรียบจากการประท้วงในฮ่องกงนอกจากนี้นะคะก็จะมีการส่งออกไปยังเวียดนามนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 16.5% เช่นกันจึงทำให้สิงคโปร์และเวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับอานิสง์จากสงครามการค้านั่นเองค่ะทีนี้เราไปที่เหตุการณ์โจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งของบริษัทซาอุดีอาระมโกในประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะที่ได้สร้างความตระนกไปทั่วโลกด้วยหลายๆฝ่ายก็กังวลว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าโรงกั่นน้ํามันทั้ง2แห่งเป็นแหล่งผลิตน้ํามันหลักของซาอุดิอาระเบียคิดสัดส่วนได้ถึงหเปเของปริมาณอุปทานน้ามันทั่วโลกค่ะและนอกจากเรื่องราคาน้ํามันแล้วนะคะความน่าวิตกอีกอย่างหนึ่งที่หลายฝ่ายกําลังจับจ้องมองกันอยู่นะคะก็คือว่า อาวุธนะคะที่ฝ่ายตรงกันข้ามได้ใช้นะคะก็คือการใช้อากาศยานต่อสู้ไร้คนขับหรือที่เราเรียกว่าโดรนติดอาวุธนั่นเองค่ะการใช้โดรนติดอาวุธโจมตีในครั้งนี้นี่นะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการทหารนะคะที่สําคัญในการสู้รบในตะวันออกกลางเพราะว่าใช้คนน้อยนะคะแล้วก็มีความแม่นยําในการโจมตีนะคะและการ จู่โจมโรงกลั่นน้ามันทั้งสองแห่งของซาอุดีอาระเบียนี้นะคะก็มีกลุ่มกบฏในเยเมนนะคะอ้างตัวว่าเป็นผู้ก่อเหตุก็คือกลุ่มกบฏฮูตีเขาอ้างตัวนะคะว่าเขาได้ใช้โดรนติดขีปนาวุธโจมตีในครั้งนี้นะคะท่ามกลางข้อสงสัยนะคะของสหรัฐอเมริกาและซาอุดีอาระเบียค่ะรายงานข่าวของ BBC บอกว่าทรวงกางโหมของ ซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยหลักฐานซากชิ้นส่วนของโดรนติดอาวุธที่ถูกใช้ในการโจมตีครั้งนี้โดยระบุว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยทางการอิหร่านค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ครั้งนี้อาจทําให้โดรนติดอาวุธกลายเป็นเครื่องมือทางการทหารที่สําคัญของการสู้รบในครั้งนี้นะคะนายจนาธานมาคาสผู้สื่อข่าวด้านการทหารและการทูตของ BBC ระบุว่า แม้ว่าการใช้ดโดรนทางการทหารในตะวันออกกลางจะมีการใช้ครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามอัฟกานิสถานในปี2001ซึ่งจำกัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงอย่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้ดโดรนติดอาวุธโดยประเทศต่างๆในตะวันออกมากขึ้นส่วนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะจีนกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลกค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องของนายจนทานมาคาซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวด้านการทหารและการทูตของ BBC ได้ออกมาระบุนะคะทางด้าน s o า t h c h น n า Morning p o พสตก็รายงานว่าตามข้อมูลของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮมบอกว่าจีนยังเป็นผู้ผลิตและส่งออกโดรนทางการทหารให้กับอีก13ประเทศทั่วโลก โดยมีหลายประเทศในตะวันออกกลางที่นำเข้าโดรนติดอาวุธจากจีนเช่นอียิปต์อิรักแอัลจี เ, เจรียและจอร์แดนค่ะส่วนโดรนติดอาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาก็มีการใช้อย่างแพร่หลายในตะวันออกกลางเช่นกันโดยเฉพาะการต่อสู้กับกลุ่มอันกออิดาและ i อเอสค่ะนายจูนธานมาคาสบอกว่าตลาดโดรนทางการทหารนับวันก็จะยิ่งมีบทบาทมากขึ้นนะคะ แล้วก็มีความร้อนแรงในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งก็จะเป็นการสร้างความได้เปรียบให้กับฝ่ายที่ครอบครองเทคโนโลยีที่สูงกว่าอีกฝ่ายจึงทำให้เกิดการโต้อตอบอย่างรุนแรงและไม่สามารถหาจุดที่สิ้นสุดได้ค่ะเราไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นมีเรื่องของสังคมสูงอายุที่กาลังเข้าสู่ขั้นวิกฤตนะคะโดยคาดว่าในปี2018 สัดส่วนผู้สูงวัยที่มีอายุ70ปีขึ้นไปนะคะเกือบ 20% ของประชากรทั้งหมดนะคะก็จะสูงมากด้วยนะคะแล้วญี่ปุ่นก็จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มที่ในอีก4ปีข้างหน้าค่ะกระทรวงสาธารณสุขรายงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นน ะ, ะได้เปิดเผยว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่100ปีขึ้นไปมีจานวนมากถึง 71,238 คนซึ่งถือเป็นการทุบสถิติครั้งแรกที่มีจำนวนเกิน 70,000 คนซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นปีที่49ติดต่อกันถ้าเทียบในปี 1,989 ที่มีจำนวนเพียง 3,078 คนเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน100ปีขึ้นไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะคะ 88.1 เเซ ตามรายงานของเกียวโดนิวสนะคะข้อมูลก็จะเปิดเผยว่านะคะญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤตทางด้านประชากรสูงวัยหรือตามการประเมินของสหประชาชาตินะคะที่ระบุว่าประชากรที่มีอายุมากกว่า100ปีและมีจำนวนเกิน1 0 0 0แสนคนจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่เผชิญกับสังคมสูงวัยอย่างเต็มที่ สหรัประชาชาติเรียกสถานการณ์เช่นนี้นะคะว่าสภาวะประชากรสูงวัยขั้นรุนแรงค่ะและก็เคยระบุด้วยนะคะว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงสิงโคโปร์จะเป็นประเทศที่ต้องเตรียมพร้อมโดยด่วนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในอีก4ปีข้างหน้าประชากรสูงวัยอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปในญี่ปุ่นก็จะมีจำนวนเกินกว่า1 0 0 0คน และจะแตะระดับที่ 170,000 คนในปี2028ซึ่งหมายความว่าเมื่อถึงปีนั้นนะคะ2028ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศแรกของโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรุนแรงค่ะแต่ขนาดเดียวกันนะคะคาดการว่าอัตราการเกิดในญี่ปุ่นนะคะก็จะอยู่ในรอบต่ำสุดด้วยนะคะในรอบ120ปี แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีการคาดการว่าภายในปี2065จำนวนประชากรญี่ปุ่นจะลดลงนะคะเหลือเพียงแค่88ล้านคนซึ่งปัจจุบันอยู่ที่127ล้านคนนะคะเพราะว่าสังคมสูงวัยในญี่ปุ่นอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดนะคะเพราะว่าประชากร ประชากรวัยแรงงานของญี่ปุ่นเนี่ยหดตัวอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีการพบตำแหน่งว่างนะคะสูงถึง161อัตรานะคะซึ่งก็ถือเป็นสัด ส, ส่วนที่สูงที่สุดในรอบ45ปีดังนั้นการขาดแคลนประชากรวัยแรงงานในญี่ปุ่นนะคะคุณฟังก็จะมีส่วนทำให้ประเทศขาดรายได้ซึ่งก็มีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยตรง ดังนั้นรัฐบาลจึงผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหรกรรมหลักและเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่ 4.5 ล้านล้านเยนนะคะซึ่งถือว่าสูงมากแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็เป็นครั้งแรกที่จานวนนักท่องเที่ยวสูงกว่า30ล้านคนด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะคะค่าใช้จ่ายของภาครัฐก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการนโยบายด้านสาธารณสุขรวมไปถึงเงินบำนาญสำหรับคนสูงอายุที่มากขึ้นตามจํานวนกลุ่มวัยเกษียณนะคะในขณะที่ญี่ปุ่นก็ยังเป็นประเทศต้นๆที่มีค่าครองชีพสูงมากนะคะตอนนี้นี่นะคะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมสวัสดิการสังคมมองว่าสถานการณ์ด้านรายได้และรายจ่ายของญี่ปุ่นยังคงอยู่ในภาวะตึงตัวคะ่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบก็ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาและเตรียมรับมือกับสังคมสูงวัยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอายุกเกษียณราชการจาก60ปีเป็น65ปีการเปิดโอกาสให้แรงงานผู้หญิงในหลายอาชีพนะคะเพื่อสร้างความเท่าเทียมรวมไปถึงการเปิดรับแรงงานต่างชาตะะิที่มากถึง 350,000 คนในระยะเวลา5ปีข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ มีชาวต่างชาติที่อยู่ในแรงงานญี่ปุ่นเพียงแค่ 2% เซของจำนวนแรงงานทั้งหมดเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาอื่นๆนะคะจะอยู่ที่ 10% ซนค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของญี่ปุ่นที่มีผู้สูงวัยจำนวนมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังค่าในปี2020นะคะญี่ปุ่นก็จะมีะกีฬาเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพก็นั่นก็คือกีฬาโอลิมปิกและพลา ลิมปิกนะคะในโตเกียวนะคะตอนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก็ได้แต่งตั้งนางเซโกะฮาชิโมโตะนะคะซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาสเกตลีลาทีมชาติญี่ปุ่นเป็นรัฐมนตรีกิจการโอลิมปิกและพาราลิมปิกะคะ่ะเนื่องจากว่าก็จะเป็นการามาทำงานนะคะในส่วนของกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่จะจัดขึ้นนะคะในอีกสองปีข้างหน้านะคะคือปี2020นะคะ และนอกจากนี้นี่นะคะการตั้งคณะทำงานนี้นะคะก็จะครอบคลุมปัญหาในญี่ปุ่นมากขึ้นเพราะว่าเป็นการระดมครังสมองใหม่ที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นรวมไปถึงจัดการกับอุปสรรคในหลายๆด้านที่นายอาเบยังไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของญี่ปุ่นเพราะว่าที่ต้องนามา นำมาเรียนคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คนไทยก็จะนิยมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะคะช่วงนี้เวลาของรายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้กับคุณผู้ฟังหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม